Book 2 2ยี่สิบเก้าที่ร้านอาหารหนึ่งท่ารสตรังเอโต๊ะนี้ว่างไหมคะอาหนี้น่างไดมะอรอาหารอารอาหารอารอาหารอาหราารอาหาร คุณมีอะไรแนะนำไหมคะว่าคุณจะแนะนำอะไดีดิฉันขอเบียร์ค่ะฉันอยากได้ไ n น์ดิฉันขอน้ำแร่ค่ะฉันอยากได้น้ำแร n ดิฉันขอน้ำส้มค่ะ ดิฉันขอกาแฟค่ะฉันอยากได้กาแฟดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะฉ e นอยากได้กุณาใส่นมดิฉันขอชาค่ะ j ิ g vil อชา r n ม ha e ว te. ดิฉันขอชาใสนมค่ะดิฉันขอชาใสมะนาวค่ะดิฉั e ขอชาใสนมคะดิฉันขอชาใสมนมค่ะดิฉันขอชาใสนมค่ะ te m e น m อชาใสมะมาวคุณมีบันขอชาใสมค่ะดิฉันขอชามีที่เขีฉันขอรีไหมค่ะ คุณมีไฟไหมคะหาดูฟี่ดิฉันขาดซอมค่ะฉันขาดมีดค่ะฉันขาดช้อนค่ะฉันขาดช้อนค่ะ